2. โกศิยวัคหนโกศิยะสิกขาบท163ภิกษุใช้ให้ทำสันถัดผสมใยไหมต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังใช้ให้ทำต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสัคิยปาจิตตี 2. สุทธกาละกะสิกขาบทภิกษุใช้ให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังใช้ให้ทำต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักคียปาจิตตีสามทเวภาคะสิกขาบทภิกษุไม่เอาขนเจียมขาวหนึ่งส่วน ขนเจียมแดงหนึ่งส่วนแล้วใช้ให้ทาสันถัดใหม่ต้องอาบัตสองอย่างคือ1กํากำลังใช้ให้ทำต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทาเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักเคียปาจิตตีสี่ฉับพัศสิกขาบทภิกษุใช้ให้ทาสันถัดทุกปีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังใช้ให้ธรรมต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายามสองเมื่อใช้ให้ธทรรมเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักคยะปาจิตตี 5. นิสีธนะสันทตะสิกขาบทภิกษุไม่เอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบสุคตโดยรอบมาปนแล้วใช้ให้ทมสันธัดรองนั่งใหม่ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังใช้ให้ธรรมต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ธทมเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตตีหเอละกะโลมะสิกขาบทภิกษุรับขนเจียมมาแล้วเดินทางไปเกินสามโยต์ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ่ย่างเท้าที่หนึ่งผ่านสามโยต์ไปต้องอาบัตทุกกฏ 2. ย่างเท้าที่สองผ่านไปต้องอาบัตินิสักเคียปาจิตตี 7. เอละกะโลมะโทวาปณะสิกขาบทภิกษุใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักขนเจียมต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ให้ซักต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ซักเสร็จแล้วต้องอาบัตินิสักิียะปาจิตตีแป 8. รูปิยะสิกขาบทพิกสุรับรูปิยะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังรับต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อรับแล้วต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตตีเก้ 9. รูปิยะสังโวหาระสิกขาบท ภิกษุทาการแลกเปลี่ยนกันด้วยรูปียะชนิดต่างๆต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังแลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อแลกเปลี่ยนแล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตตี 10. กยะวิกายะศิขาบทภิกษุทำการซื้อขายมีประการต่างๆ ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังซื้อขายต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายามสองเมื่อซื้อขายแล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตติโกศิยวั์ที่สองจบ